หันหน้าไปทางพระประธานเอากลา้อาอ้าราหังสมาอาวาตามนะ่ะข้าไปเจ้าทางหลาย ข, าาลขอสมาทาน อ, าอุโบสถสิ น, สสนซึ่งพระพุทธเจ้ า, จจาบัญญัติไปแล้ ว, ญญลวองแปดประการ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 อันนี้เราป ก, ปกครองแบบฤิศวีให้แสดงความคิดเห็นได้ขณะที่ขณะทีต่ตัวเองเป็นพระราชาเจวันนั่นะแสดงความคิดเห็นว่าตัวเองอยากจะทาอะไรอยากจะ อ, อยากจะพัฒนาประเทศชาติยังไงเห็นความบกพร่องของประเทศชาติอย่างไรอันนี้ก็คือแสดงออกเจวันแล้วก็เปลี่ยนกันอันนี้ในครั้งพุทธกาลอันนี้เมืองกุชินารากปกครองแบบฤิวีมลรกษัตย์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 วันเดือนหเพนน์น่พระพุทธเจ้ากับป ร, รินิพานพอป ร, รินิพานแล้วก็มันลักษรสัรก็จะถวายพระเพงทันละทีถวายพระเพง ส, สรีระของพระพุทธองค์แต่พอจัดถวายสรีระเนี่ยไฟใหม่ๆพอเอาไฟจุดเข้าไปถวายพระสรีระใหม่ๆเพราะว่าเทวาดาอยู่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 ทางมาถึงก็เข้าไปกราบสรีระพระพุทธเจ้าอพอกราบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถอยออกมาเท่านั้นแหละไฟลุกเองเอที่ยวดาเป็นผู้ประชุมเพลิงเองเป็นผู้ถวายพระเพลิงเองถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าท ว, ว่ถวายพระเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วเออก็ต่างหัวเมืองต่างทราบข่าวต่างก็ยกทัพไปทน้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 ทำามให้จะเยียบเดียวนี้ไหมโปรที่สุดโทนรามที่เป็นปโปรหิตตาจานที่เป็นผู้ใหญ่ของเมืองกุชินาราบอกว่าไม่ได้พราะพรุทธเจ้าเป็นของทุกคนเป็นพุทธบริษัทสีไม่ใช่แต่ของเราคนเดียวเป็นของท่วโลกเป็นของทุกเมืองเพราะท่านไปประกาศาศาสนาทุกแห่งหนพี่น้องประชาชนทุกหมเหล่าให้ความเคารพสักรนับถือเลื่อมใส ยึพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเราจะเอามาไวท้ทีเดียวคงไม่ถูกต้องควงจะควรจะแบ่งแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าให้กับหัวเมืองต่างๆกับเมืองต่างๆ้ า, า, ามเมืองใหญ่ก็ให้มากถ้ามเมืองน้อยก็ให้ลดหลั่นกันลงไปทต่ในมันละกษัตริย์ไม่มีทางออกเนะเพราะเขาร้อมอย่างแน่นหนาเนะี่ยเขาจะเหยียบเข้ามาเนะี่ยเพราะนั้นเลยตกลงเอาแบ่ง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 ไปเห็นพระเขี้ยวแก้วพระเขี้ยวแก้วก็คือฟันของพระพุทธเจ้าฟันพระเขี้ยวแก้วพราหมณ์ก็เห็นจุดนั้นเลยก็หยิบเอาพระเขี้ยวแก้วมาใส่ที่ม้วยผมตัวเองเพราะคนสมัยก่อนเขาม้วยผม้วนผมใช่ไหมแล้วก็ก็มัดผมจุกไว้ทา ง, ทางบนศรีรษ ะ, ะเ้าก็เห็นพระเขี้ยวแก้วเนี่ยโอ้เป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของที่ เ, เลิศประเสริฐในพระบรมสารีริกธาตุ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 พระเอ็นอยู่บนสวรรค์เนท่านขามายเลยท่านก็หยิบเอาพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าอยู่ที่มวยผมของพรามเอาขึ้นไปประฏิสถานบนพระธาตุเกศแจ้วจุลมณีที่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นดาวดึงกับปีมีพระเจดีย์พระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์ขึ้นไปประดิสถานพระเอ็นก็ได้ท่านนำ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 ร, รักษาลักษาศีนุโบสถที่อย่างที่พระเจ้าจากักรพรรดิพาดําเนินพวกเขาเหล่านั้นทําแต่คุณงามความดีลําลึกถึงพระเจ้าจากักรพรรดิจากนั้นพวกเขาเหล่านั้นก็ตายไปแล้วก็ไปสู่สวรรค์เป็นส่วนมากเพราะเขาทําคุณงามความดีเพราะฉะนั้นสมควรยิ่งพระเจ้าจากักรพรรดิจะต้องสร้างสถูปพระเจดีย์ไว้ในทางสีแพร่งและเป็นสถานที่เคารพ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 2,556 ปีให้หลังพระะผูใ้ใดจาอุบัติขึ้นในโลกเพราะนถือว่าเป็นวันสำคัญเมื่อท่านได้ตัดสู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วท่านตัดสู้อะไรในวันเดือนหเพนนนั้นท่านนั่งภาวนาเ อ, อ่อนั่งภาวนาท่านได้บรรลุได้ตัดสู้ท่าว่าปุบเพนิวาสานุสติญาณละลึกชาติโหดหลังได้ตอนหัวค่ำ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 เราจะไม่มาเกิดอีกแล้วอันนี้เนะ่อาไว้ในวันเดือน6กเพนท่านได้ตัดสรุธธรรมสมอย่างปุเพนิวาสานุจติยานจุตูปะปะตาตยานอาสาวกายยรยาน ใ, ในวันเดือน6เพนเพราะนั้นพวกเราที่เป็นพุทธบริษัทของพระพุทธองค์อุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทคือภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทสของพระพุทธเจ้าพวกเราให้ศึกษา